ได้ยินขราวคู่บาอาจารย์มรณะภาคอีกแล้วหลวงปู่ข่้นดีเป็นแ่วขณะจังหวัดคยู่สกลนครมรณะภาคแล้วเหรอเ่ อ, อเนเอาอายุเพิ่แปดสิบกลัวซ่อมคนยากติดขนาหน้าเลย อันนีเข้าคยว่ากันหน่นว่ากันอายุหลายขึ้นมากอายุหลายขึ้นเข้าคุณไหวกาคนเป็นภูเ่านั่นท่วมตายมันยยินรู้เรื่อยเนี่ยเยินบ่อยๆเด้่่วมตายคุณนั่นตายผู้มี่ตายใกลผมมากไกลผมมากเล้ว่นไปวนมากเนี่น่นมันคือมะคุกเอเข้าหรือเนี่ยโมเนคู่อื่นเดมันแน่มาใส่เข้าอยู่ละ มันกค่อยอ่อมมากอ่อมมากพ้นมากเวียนมากไก่เข้าไก่เข่าเนี่ยแะที่นิสัยเมัอนมากอย่างนั้นเลยมันกะโบเมนใจล่เป็นได้ดอกพุ่มตายเนี่ยมันกะมาเตือนเข้าอยู่ได้น่งมันแค่นีมันถึมาคุบเข้าคืบลดไม่แต่เตือนให้เขาเห็นมือแต่ยังนุ่มยังน้อยอยู่เหมือกับโบเห็นดูเป็นไรพุ่มตายเนี่ยอ๋อมันยังอีกไก่อยู่เท่ากับ เอาไปโอกาสไปโดนๆบางทีพกเจาะเข้ามาเจ้าเขามาใกล้เขามาอายุไลน์เข้ามาเลยเจ็งดูแท้ตายทันน้นอ่ะจะตายมื้อนี้จะตายมันเตือนในีเข้าหูแจ็คมาเจ้ากับาากที่ตายอยู่เด้อเพราะั้นเตือนเข้าแล้วบอกเข้าบอกแล้วบอกอีกไปทันเด้อแต่ว่าเข้าถึงมือบอทสทันตุสละกแต่ข้อ ม, มือโอู้มัน มามันโหมเป็นมหาผู้อื่นมันแน่มาใส่เข้าหน่ตัวอ่ะเนีใ้สิครึไปใช้ผูอื่นผู้บุนลอกตายผู้นั่นผู้พูนผู้ไกลผู้นหมเม็นเข้าจะไปพูดเพื่อนกันเดี่ยไอ้คืดว่า่วมตายมันแน่มาใส่เข้าห่ะเกียมตัวโลดหนิหาวิธีโลดผู้ใดติดข้าอะไรข้างดีที่สุดหมือนลูกทิศพระพุทธเจ้าแมนอบธีบัตถั่เนี ปฏิบัติถ้ำถ้ำตังสอนพระพุทธเจ้าให้จิตเจริญหน้าโหลดว่าพุทธิเขาตายเหมือนเขาเบอยกตายแก๊กเนี่ ม, มียไร่อยากตายหักตายทู้คนแต่หมายความว่าทางเท่าตายเท่านี้ว่า ม, ไมีไผ่เอาไว้ได้เท่ากับจิ้คื้อกันหรือกันยาสิส อ, อนมันจนเกินไปอลไรอันหลังตายนี่กินข้าวกินน้ากินเหลวกินยาพอสมก้นหลังเป้าเนี่ย เปล่าของใจภาวานาเนี่ยมันสีได้อันนี้มันฟัวไปจนนะได้หรัอเปล่าไรหรอกลงทุนหาแนว่วแฉะมาให้มันกินหาผาหาพรคืนลมงามมาให้มันใช้หาของหอมกระดับกระดามันไม่เสียมาประมา้มมันพวกเรามันตีอยู่น้าดนความสิเอาไปได้หรือเปล่าไรได้หรืคิดหาเอาเนี่ยพุทธเจ้าว่าเนี่ยรักษาใจดีด มันมาเตือนแล้วเนะี่ยถานเท่าเห็นคุณนั่นตายคุณคุตายคุณใดตายเนี่ยแต่ว่ามันเตือนเท่านี่ล่ะมันบอกเขาว่าคอยมักใจเจ้าโรเจอร์คอยมักใ้เจ้าโรเจอร์มันวางอย่ไอ้เทาขึ้นจ้อคนตายกับวงเปนผู้ค้นแมนอิลีเนี่ยนะมันเล่งมใาใใจเห่านี่ล่ ะ, ะเหยี่ยมโตรวดแต่ฮาร์ตี้เ่ยเม่เอาเหตงไดกำหนดยิดเนี่ยกำหนดผิดสงบไปไม่มี มันต้องคุกได้กำหนดจิดให้สงบนต้องคุดภาะวะนิสัยของจิตเข้าดันดานของจิตเข้ามีแต่คุดไปน้าเรืองนั้นเรืองนี้อันไนยิ่เลือกเป็นสาหัสไปห้าดุจเป็นการสร้างสบายเวลาข้างนอกกุหลหาบเาิดมาซ้อมใจอยางของถูกตีเขียมตัว้วบี้อันแนวขาดุดงเปนสิมาแลเลยเดาสเขียมโซล สงสันนหิเคนจะมีโอกาสที่ท่างเข้าไปเจีบไปปวยยุ่โรงพยาบาลโอ้ยมันเป็นตัวอย่างดีแค่นี้กันเข้าไปโรงพยาบาลไปเบิง่งโอ้ยป่วยเป็นโรคนั่นโรคสันสันเราไม่เคยเห็นกับมี่โรคนั่นจะไม่มีโรคนี้นี่ผู้ใหญ่กับปวยผู้น้อยกับปวยผู้เฒ่ากับปวยผู้นิ่งกัปปวยผู้ใต้กับปวยพระกับไปปวยมันจะนี่ นุ่ก็ไม่มีอะไรสิเข้าไปเห็นโอ้มันบอกเป็นธรรมดาทั่วอันนี้มันใต่เข้ากัมาแล้วแม่วุนีเข้ากับเป็นได้ที่เตือนแล้วเขากัมีแขนมีขามีฟอมีใส่เพื่อนัออนท้าเข้ากันนีน้ีเาเสียแงได้คิเกดไปเด้อแม่วุณีมันปากฏแกเข้าหนึ่งแต่ว่ามันมาเตือนเข้า เตือนว่าใครที่มาเอาเจ้าล่ะเชื่อต่อไปหรือเมื่อไรกันเนี้ยอย่าไปติดความันเป็นกับคนอื่นป่วยตายมันเป็นกับผู้อื่นทั้งนั้นอย่าไปติดในสัตว์ติดไหมวานี่ละ่ะมันมาเตือนเท่าแล้วมันไหมเข้ามามุง่งจริงๆรมุ่งมากจริงจริงนะมุ่งม่าหาเงินนี่ล่ะจะติดระบางที่มันอาจติบมากแต่ใจคุณจะดอกมันสิไปเอาผู้หุ้นผู้แข็กร่งหุ้นผู้อยู่ทากลางๆหุ้น คิดไหมคิดว่ามันจิมาเอาเห่าหนี่แหละมันแน่มาใช่อย่าประมาทอหาสมมวลสวมยิ่อยู่หลายไปอยู่ใสไปอยู่บานอยู่กองสงภาวานาสงส้อมจิตซอมใจสมดจิดสดใจทังซึ่งซ่อมทั้มมงคัดนั่นะซ้อมครับึ้นมากเราต้ฮัดอฮทนฮันละมัดระว่างไปเฉฮัไปเื่อยเนีย่ย ขซ่อมเจอขัน่อมกับโฮูล่ะกันซ่อมแล้วโบหัต ก, กับยอีิล่ะกับโได้ยังคือเตาขันซ่อมไม่เห็นว่าจะของยังหน่อยอยูม่มพ่มพ่มต้มมมนกันหน่อยพุ่มเข้าใจในวัฏสงสารกันหน่อยเปล่าคือเอาเร้่องแลวันนี้รับอ้อนแบบ